เนรระลึกชาติท่านกล่าวไว้ในมหาวิบากนรกมีถึงยี่สิบห้าหลุมตั้งใจใ ห, ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่ นรกเมืองผีมีถึงย5สบห้าหลุมแล้วจากนั้นก็มาปลีกย่อยถ้าไปลงนรกเอเวจีแล้วกี่กับกี่กันก็ไม่ได้ผลแหละจมอยู่นั้นถึงจะเป็นกฎอนิจจงก็กี่กับกี่กันถึงจะเปลี่ยนมากรรมของสัตว์ประเภทนี้พวกข้าพ่อข้าแม่ข้าพระอรหรัน ทำลายพระพุทธเจ้ายุยงให้สงแตกจากกันห้าประการท่านเรียกอนันตริยกรรมแปลว่ากรรมนี้หนักมากแล้วพวกนี้แหละพวกลงไปนั่นนี่มี น, นิทานสดสดละร้อนอันหนึ่งที่จะนำมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเราเป็นคนซักด้วยปากของเราเองอันนี้ คือเอากันต่อหน้าเลยซักเลยมีเนนองหนึ่งอยู่บ้านน้ำกำม์อาเภอชาติพนมจังหวัดนครพนมเนนนี้ระลึกชาติได้ระลึกชาติถอยหลังได้ชาติเจ้าของนั่นเองแต่ก่อนเขาชื่อว่าบัวเหมือนกับชื่อหลวงตาบัวนี่แหละเขาอยู่บ้านโคกเลาะชื่อเขาพูดถูกหมดนะ เหตุที่จะมีการยืนยันรับรองกันคืออาจารย์ของเขาเองเราพบกับเนนนี้แล้วข้อไปพบกับอาจารย์ชื่ออาจารย์ทองอาจารย์ของพระบัวนี่พระบัวนี่เป็นหนุ่มแล้วไปฟังเทศแล้วเกิดความเลื่อมใสท่านอาจารย์ทองท่านไปทางเมืองอุบลไปโนนแนะนำสั่งสอนประชาชน เขาเกิดความเคารพเลื่อมใสนายบัวนี่ก็มาขอบวชกับท่านบวชแล้วก็ติดสอยห้อยตามท่านมามาอยู่บ้านสามผงพอดีมาเป็นไข้ป่าที่สามผงตายปีนั้นพระตายสามองค์นี่ท่านอาจารย์ทองท่านเล่าเองปีที่ตายสามองค์นี่นะแต่พระบัวนั้นบอกแต่ว่ามาตายที่บ้านสามผงเท่านั้น ไม่ได้บอกว่าตายเท่านั้นองค์เท่านี้องค์พอตายแล้วนี่เราสรุปเอาเลยแบกกรดสะพายบาดดูเขาเผาศพเราคนทั้งหลายเต็มอยู่มาเผาศพก็ยืนดูศพอยู่สะพายบาดแบกกรดอยู่ดูเขาเผาศพเขาไม่ได้สนใจกับเราเลยคนเป็นร้อยๆเต็มอยู่นั่น เขาไม่สนใจกับเราสักคนเดียวเลยเราก็ไปยืนดูศพของเราพอเสร็จแล้วก็ออกไปทางด้านตะวันออกศพเรานี่ก็ถูกเผาเป็นเถ้าเป็นถ่านขนาดนี้แล้วจะหวังเอาอะไรอีก เราไปแล้วไม่ห่วงใหญ่แล้วแล้วก็ไปพอไปก็ไปถึงศาลาใหญ่หลังหนึ่งศาลานั้นใหญ่มากทีเดียวนี่เป็นเนนี้เล่าให้ฟังนะเหตุที่จะได้ซักถามเนนี้เพราะมีพระมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเน น, นนี้ระลึกชาติได้แล้วพอดีมางานศพหลวงปู่มัม่นเรานี่เนนี้ก็จะมา เราก็นัดกับพระไว้ว่าถ้าเนนนั้นมาให้มาหาเราพอดีเนนนั้นมาก็ให้มาหาจริงๆแต่ส่วนมากแกไม่อยากเล่าเรื่องระลึกชาติได้เล่าทีไรเป็นไข้ทุกทีว่าอย่างนั้นเข็ดพอเล่าเรื่องชาติหลังย้อนหลังแล้วไข้ทุกทีไม่เคยพลาดเอาคราวนี้ไม่ให้ไข้เราก็ว่าอย่างนั้นแหละ เอาเล่ามาให้หมดนะคราวนี้ไม่ให้ไข่มาเล่ากับเรานี้ไม่ให้ไข่ก็ไม่ไข้จริงๆนะแปลกอยู่นะมีหนเดียวรายเดียวนี่ไม่ไข้พอมาก็ซักถามกันถึงเรื่องตายแล้วไปที่ว่านี่ไปศาลาใหญ่หลังหนึ่งศาลาหลังนั้น เจ้าหน้าที่พวกยมาบาลอะไรเหล่านี้เต็มอยู่นั่นสมุดบัญชีมีเป็นสองกองกองใหญ่เบอร์ เ, รเทียวกองหนึ่งเล็กแล้วกองใหญ่นั้นสําหรับบัญชีคนทําชั่วกองเล็กนี้สําหรับบัญชีคนทําดีพระองค์นั้นก็สะพายบาตแล้วไปยืนแล้วพวกนักโทษพูดง่ายง่ายนักโทษทํากำหนัก ทำกรรมเบากรรมอะไรก็ตามเขาแยกไว้เป็นประเภทประเภทเต็มศาลาทีนี้เขาเรียกชื่อพอเรียกชื่อนายนั้นนายนั้นพอเรียกชื่อปั๊บต้องมาถึงปุ๊บเลยอำนาจแห่งกรรมมันบีบบังคับขนาดนั้นจะอืดอาดไม่ได้พอเรียกชื่อปับอปอรรมมบ๊ บ, บ, จ, ะ จ, บจะมาปุ๊บปุ๊เลยมีกี่คนโทษประเภทนี้ มีหัวหน้าสองคนเท่านั้นแหละหัวหน้าหน้ากลัวมากคนหนึ่งนำหน้าคนหนึ่งตามหลังพอเรียกชื่อเสร็จแล้วไล่ลงพวกนี้ไปแล้วเรียกพวกนั้นมาอีกเป็นคณะคณะจนกระทั่งหมดนี่พูดสรุปเอาให้พอดีกับเวลาพอหมดแล้ว ก็ยังเหลือแต่ยายคนหนึ่งนั่งอยู่นั่นยายคนนั้นเป็นคนเหมือนคนวัดเรานี่แหละเหมือนคนแต่งตัวไปวัดเรานี่ไปถือศีลถือธรรมมีผ้าเฉียงบ่านุ่งผ้าสิ้นเราธรรมดาไปวัดนี่แกนั่งอยู่ทางโน้นเขาเรียกคุณแม่นะสำหรับยายคนนี้เขาเรียกคุณแม่นอกนั้น เขาเรียกนายนั้นนายนี้นายนั้นนายนี้ลงเลยลงเลยนี่เขาเรียกคุณแม่พอพวกสัตว์นรกไปหมดแล้วเขาเรียกเชิญคุณแม่มาที่นี่ถ้าคุณแม่อยากไปสวรรค์ให้ลงที่นี่เลยคุณแม่จะไปสวรรค์ชั้นไหนก็ไปได้ให้ลงไปนี้แล้วรถเขาจะมารถทิพย์จะมาลงไปสะน้ำนี้ แล้วก็ไปเพื่อง้ผ้านี้ออกหลงจากสะนี้แล้วก็เดินบุกน้ำไปรถจะมาทางฝากสะทางนั้นแล้วก็ขึ้นรถประดับตกแต่งใหม่หมดเครื่องประดับประดาตกแต่งเขาจัดเอามาพร้อมรถเลยพอไปแล้วลงน้ำนี่ปั๊บก็ขึ้นเขาก็เชิญเลย จูงขึ้นแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็เหาะบึงขึ้นเหมือนสำลีรถทิพต์รถทิพต์พูดอะไรพูดไม่ได้แต่มันประจักษ์กับตาอยู่ว่างั้นเป็นสีงามอร่ามตาอะไรนี้เราพูดไม่ถูกรถทิพต์แต่ก็ไม่ได้ถามว่ารถทิพต์นี้มาจากชั้นไหนจะไปชั้นไหนเป็นแต่เพียงว่า ผู้หญิงคนนี้จะไปสวรรค์พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังเหลือแต่พระองค์นี้ยืนอยู่นั่นคือพระบัวที่ตายไปนั่นแหละเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเขาก็ไม่ได้มาสนใจกับเราแหละพอเขาส่งยายคนนั้นเสร็จแล้ว เขาก็ทำงานของเขาอยู่บนโต๊ะแล้วอาตมาเล่าจะให้ไปไหนไม่เห็นเรียกอาตมาโหท่านนะถ้าตั้งใจจะไปเกิดเมืองมนุษย์ก็ให้กลับหลังย้อนหลังนี้ไปถ้าจะไปสวรรค์ก็ให้ลงไปนี้ท่านไปได้ทั้งไปสวรรค์ทั้งไปเมืองมนุษย์ถ้าท่านจะไปสวรรค์ ก็ให้ลงนี้เหมือนกับยายคนนั้นลงแล้วรถทิพย์จะมาเองอาจจะมาไม่ไปแหละอาจจะมาหิวน้ำจะไปหาฉันน้ำก่อนลงจากนั้นก็ลงไปลงไปจนถึงบ้านน้ำก่านี่แหละบ้านเขาอยู่ริมทุ่งนาเข้ามาตักน้ำก็ไปขอบินทบาทฉันน้ำกับเขา เขาบอกว่าให้ไปบ้านหลังนี้นะเขาจะตักน้ำแล้วให้ไปที่นั่นไปรออยู่บ้านหลังนั้นเขาชี้บอกเห็นบ้านชัดๆอยู่บ้านหลังนั้นบ้านหลังจะเกิดเข้าใจหรือเปล่าพอไปที่นั่นรู้สึกเคลิ้มๆจะหลับเหนื่อยเพียมากเคลิ ม, ลมแล้วหลับไปเลยเลยยังไม่ทาได้ฉันน้ำ พอตื่นขึ้นมาที่ไหนได้เกิดแล้วนั่นละ่ะที่นี่แกระลึกชาติของแกได้ตลอดนะระลึกชาติย้อนหลังย้อนหลังได้ตลอดเลยนี่เวลาเราซักถามที่นี้พอดีอาจารย์ทองของเขามาเราก็กราบเรียนถามเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วโห ท, นะท่านตกใจ ใช่แล้วนี่พระบัวท่านก็อธิบายให้ฟังตลอดหมดเลยไปสามผงไปตายด้วยกันสามองค์อะไรอะไรพระองค์นี้ชื่อบัวไล่ผีเก่งนะพระองค์นี้แต่ไม่เห็นไล่ผีเจ้าของได้ท่านพูดเรายังไม่ลืมนี่พูดถึงเรื่องระลึกชาติได้ ทำว่มมาละลึกชาติได้นี้กับพระพุทธเจ้าละลึกชาติได้มันต่างกันนะพวกนี้สลบสลไยพวกนี้ตายการละลึกนั้นละลึกนี้รู้นั้นรู้นี้มันอาจเคลื่อนคลาดเพราะคนกระเสือกกระสนกระวนกระวายไม่ได้เหมือนพระยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าที่ละลึกชาติย้อนหลังเช่นบุเพเทนิวาสานุสติญาณ และลึกชาติย้อนหลังได้เฉพาะชาติของพระองค์นี้มีกี่พบกี่ชาตทรงทราบได้ตลอดทั่วถึงตลอดถึงพบชาติของสัตว์ทั้งหลายรู้ได้หมดด้วยพระญาณอย่างทราบไม่ได้ด้วยการสรบสลยัยเหมือนอย่างโลกทั้งหลายเขาเป็นกันคนนั้นตายฟื้นกลับคืนมาแล้วและลึกชาติได้อย่างนั้นอย่างนี้ แล้วมึงือกันเป็นบ้าไปพระพุทธเจ้าสัจสลูพระญาณอย่างทราบประกาศธรรมสอนโลกมนันี้กี่ปีแล้วไม่เห็นตื่นกันบ้างมันเป็นบ้าหรือยังไงมนุษย์เรานี่มันอยากว่าอย่างนั้นนะเราไปตื่นกับเรื่องแบบบ้าอย่างนั้นพวกคนสลบสลต์ตายฟื้นกลับคืนมาแล้วมาละลึกชาติได้แล้วตื่นกันฮืองฮาฮึ่ฮา ผูเท่าเจ้าไม่ได้เป็นคนสลบสลดยตัดสรู้ขึ้นมาเป็นอัดเป็นธรรมเป็นศาสตาเอกของโลกรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายประกาศธรรมสอนไว้ทำไมถึงไม่ตื่นกันบ้างให้ตื่นนะไม่ตื่นไม่ได้นะจมจริงๆนะฟังสิฟังสิว่ารรกเดือดพล่านพล่านไม่มีวันมีคืน มีปีมีเดือนมีอย่างนั้นตลอดเวลาพวกสัตว์นรกนี้ก็แน่นอัดแน่นอัดเพราะสัตว์ทั้งหลายทำแต่กรรมชั่วนั่นสิทางสวรรค์ น, นี้เบาบางทางนรกนี้แน่นหนามั่นคงมากทีเดียวทั้งจะเรื่องกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์นี่ละให้จําให้ดีให้สดสดร้อน